วันนี้เป็นวันที่28พฤศจิกา52วันเนมื่อวานน่ยลงพ่อไปบ้านก้องวันที่27นัดกับครูบาอาจารย์ผออบอตอผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ทรงคุณวุฒอ่าแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวบ้านก้อง6หมู่บ้านนัดมารวมกัน เพื่อมารับทราบเนี่ยท่านผู้ว่าของเราเนี่ยท่านดรผู้ว่าฮิรันรดีศรีของเราเนี่ยท่านจะมาสร้างอาคารเรียนให้แก่ชุมชนบ้านกล้องท่านก็มาด้วยและก็ผู้ที่จะสร้างผู้รับเหมาก็มาด้วยมาพร้อมกันเซ็นสัญญาเลยเมื่อวานนี่ที่โรงเรียนอาคารเรียนสองชั้นข้างบนสีห้องเรียนข้างล่างก็สีห้องเรียน รวมแล้วเป็นแปดแล้วก็มีห้องน้ำด้วยให้แก่ลูกหลานแล้วโรงเรียนบ้านก้องเป็นโรงเรียนตำบลอย่างวัดป่านาะคำน้อยของเราเนี่ยก็ตำบล บ, บ้านก้องนะบ้านก้องเป็นตำบลใหญ่เป็นเป็นหมู่บ้านร่างเดิมตั้งแต่เก่าแก่โบราณมากันสร้างอาคารเรียนมาอาคารหลายหลังตรง ดวนได้จะเป็นอาคารไม้ตั้งแต่ 2516-17 จากนั้นมาเท่าไหร่ประมาณกับเกือบ 3-40 ปีไม้มันก็รู้สึกว่ากลอนไปตามอายุสังขารของมันแต่ก็มีอาคารหลังหนึ่งที่ทำเป็นอาคารปูนของรัฐบาลเขาสร้างให้รู้สึกว่าหลังนี้จะทันสมัยดีกว่าแต่ถึงย่งไงก็การสร้างก็ดูๆแล้วก็ คงสร้างไม่ดีเท่าไหร่หลวงพ่อว่านะเพราะว่ามันมันเ้าวแนละ้วมันแตกก็คงจะพื้นฐานมันสุดนะ่ะอ้พวกพี่น้องชาว บ, บ้านเขาครูอยากจะได้ก็เมาปรารถนาหลวงพ่อก็พอดีกับท่านผู้ว่าของเราอดีตผู้ว่ารถไฟของเราท่านฮีรันก็มาพบกับหลวงพ่อพอดีหลวงพ่อก็เลยได้บอก ไปทั้งสองโรงเรียนคือนิคมคำสร้อยแล้วก็ตำบลบ้านก้องนี่แหละสองหลังแต่เซ็นสัญญาเมื่อวานนี่ก็เซ็นสัญญาในเป็นที่รับทราบกันก็คือสามล้านห้าแสนสามล้านห้าแสนบาทนะก็อาคารหลังนี้ก็คงจะใช้เวลาหกเจ็ดเดือนคงจะเสร็จนะ ก็รู้สึกว่าพี่น้องประชาชนหกหมู่บ้านหผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันที่มาใช้มาเรียนหนังสือลูกหลานมาเรียนหนังสือหกหมู่บ้านก็ยินดีพออกพอใจพร้อมหน้ากันเมื่อวานพ่อไปเห็นแล้วก็เออหน้าภาคภูมิใจถ้าว่าผู้ที่ พอเป็นไปได้มีอันจะกินนะหลวงพ่อว่านะควรจะช่วยเหลือชุมชนสังคมเหมือนกับต่างประเทศของเขาต่างประเทศของเขานะเศษฐีที่รวยๆเขาก็ออกมาทําประโยชน์สาธารณะให้แก่ชุมชนให้แก่โลกโลกนี่จะอยู่ได้เพราะการสงเคาราะห์อนุเคราะห์กันถ้าว่าโลกทั้งโลกไม่มีการสงเคาราะห์อนุเคราะห์กันต่างคนก็ต่าง มีแล้วก็ไม่ช่วยเหลือเจือจานกันประเทศชาตินั้นๆหรือชุมชนนั้นๆก็จะหาความลมเย็นผาสุกได้ยากเพราะเหตุใดเพราะมนุษย์อยู่ด้วยกันไม่มีน้ำใจต่อกันขวันน้ำใจคำนี้นะคือจิตที่มีเมตตาพอเราพอมีอันจะเป็นไม่เดือดร้อนพอมีอันจะกินจะเป็นไปได้อยู่ก็ช่วยสงเคราะห์ ผู้ที่ด้อยกว่าชุมชนที่ด้อยกว่าเราก็ให้เขาไปแต่ว่าจะให้เรามั่งมีสีสุกเพียงพอสักก่อนจึงจะให้เขาไปคำว่าเพียงพอคํานี้เนี่ยเราจะเอาเอาอะไรมาวัดค็ว่าเพียงพอมันเพียงพอไม่มีหรอกในโลกเนี่ยท่านว่านัติตัญหาสมานาทนีคือความโลภคือตัญหาความทยานอยาก มันไม่มีเมืองพอมันไม่มีขอบเขตมหาน้ำมหาสมุทรก็ยังมีขอบมีฝั่งแต่ความอยากของมนุษย์เนี่ยความโลภของมนุษย์นี่มันไม่มีขอบเขตเมันมากท่านจึงยกเป็นชาดกขึ้นมาสมัยหนึ่งเจ้ามันธาตุราชเป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิครองพื้นพิภ พ, พทั้งหมดในปัตภี เป็นของตัวเองสมัยนั้นมนุษย์อายุยืนหลายหมื่นปีไปอินอยู่บนสวรรค์ก็เห็นว่าเออพระเจ้ามันธาตุราชปกครองอยู่ในเมืองมนุษย์ร่มเย็นเป็นสุขดีน่าจะเอามาเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนปรึกษาพารักันอยู่บนสวรรค์ด้วยเพราะว่าเขาเป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่จากนั้นก็ เชิญพระยามันธาตุราชขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงค่ะพระอินทร์ก็แสนใจดีแบ่งชั้นสวรรค์ให้คนละครึ่งกันปกครองคนละครึ่งกันพระอินทร์ก็ให้รักษาครึ่งหนึ่งพญ า, ามันธาตุราชก็ครึ่งหนึ่งทั้งที่พญ า, ามันธาตุราชเนี่ยเมืองมนุษย์ก็เป็นของตัวเองทั้งหมดแล้วขึ้นไปบนบนสวรรค์ก็แบ่งอีกครึ่งหนึ่งแต่ขนาดนั้นยังไม่พอนะใจใจยังไม่พอ อยากจะได้ทั้งชั้นบัดคิดอยากจะฆ่าพระอินทร์อีกเหมือนกันนะคิดอยากจะฆ่าพระอินทร์เพื่อจะเอาทั้งชั้นมาเป็นของตัวเองเอแต่ของทิพย์นะั้มันมันฆ่ากันไม่ได้นะมันเป็นภุนของใครของเราพยามธาธรรทารุฬเพราะความโลภความอยากความโลภทั้นี้ปิดหูปิดตาของปิดใจของพญามันทาธราชคิดว่าเหมือนจะเหมือนเมืองมนุษย์นะ่ย ขึ้นไปอยู่สวรรค์นะคิดว่า จ, จะฆ่าพระอินทร์ได้ง่ายๆว่างั้นแหละแต่นี้มันฆ่าไม่ได้เพราะคิดฆ่าเท่านั้นแหละบาปอากุศลตัวนั้นน่ะที่อยู่ความคิดตัวนั้นน่ะมันตีตลบมหาตัวเองเลยว่างั้นเหมือนกับคนคิดเบียดเบียนคนอื่นที่เขาไม่เบียดเบียนตัวเองน่นะบาปกรรมมันย้อนมหาย้อนสอนมหาตัวเองอพระเจ้ามันทาตุรัดม้วนเสือตกลงมาจากสวรรค์เลยว่างั้นนี่แหละ อันนี้คือนิทานชาดกที่ท่านพูดไว้ในพระไตรปิฎกนาไม่ใช่หลวงพ่อพูดนิทานปลามปลานันาน่นเองพระไตรปิฎกเพราะงั้นนี่แหละท่านว่าเปรียบเทียบวอกความโลภของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นเราคิดว่าโอ้คนนี้รวยแล้วละ่ะเนมาเมื่อเขามาเป็นใหญ่แล้วก็คงจะไม่กินบ้านกินเมืองนะเขาคงจะกว้างขวางเขาคงจะเสียสละได้ ทีไหนได้คนที่มีช่องทางนะมันเคยโลภอยู่แล้วมันเคยรวยอยู่แล้วนะมันมีช่องทางที่จะเอาทางไหนมันจะมากกว่านี้อีกนะโดยมากมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าคนมีธรรมะเท่า น, นั้นละ่ะจึงรู้จักประมาณตนว่าข้าพเจ้าเนี่ยขนาดนี้พอแล้วละ่ะข้าพเจ้าเก็บไว้เพื่อใครอีกสักวันหนึ่งไปข้างหน้าเนี่ยไม่รูว่วันไหนเราจะไปหาทรัพย์ให้แก่ลูกหลานของเราไม่มีที่สิ้นสุด ทางว่าลูกหลานของเราไม่หาเองถึงเราจะหาให้เป็นร้อยล้านพันล้านพอมันใหญ่ขึ้นมามันขี้เกียจเรียนหนังสืออีกขี้เกียจทำงานอีกมันจะมีแต่จ้องหน้าจ้องตาผ่านเงินที่เราหามาหามาให้ด้วยความยากลำบากคนที่หาให้ปู่ย่าตายายที่หาให้ก็เลยกลับเป็นผู้โง่เง่าเต่าตุนไปทนีให้พวกที่ลูกหลานเกิดมาใหญ่ทีหลังเกิดขึ้นมาจะกองเงินกองทองก็เลยเป็นผู้ฉลาดทตนี่ ใช้เงินของคนโง่เหมือนกันเถอะเพลเพลินลูกหลานยังไม่ตายเงินหมดก่อนแล้วเอะพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่หาด้วยหยาดเงื้อมากองเอาไว้ให้ลูกหลานได้ใช้เพื่อให้เป็นกองทุนกับลูกหลานกับตายเป็นผีไปเป็นไปเฝ้ากองทรัพย์ร้องหย่ร้องไห้ไม่รู้จะทํำยังไงพราะลูกหลานใช้เงินไม่รู้จักประมาณ นี่แหละสรุปแล้วก็คือเราหาให้เขาพอประมาณควรจะหาความรู้ความฉลาดให้แก่เขานี่ยแหละดีที่สุดหาวิชาความรู้ให้แก่เขาวิชาความรู้คู่คุณธรรมเนี่ยกินไม่รู้จักหมดวิชาความรู้คู่กับคุณธรรมกินไม่รู้จักหมดมีแต่ความรู้อย่างเดียวมีแต่ได้แต่ความรู้พอได้ความรู้มาแล้วก็ กงใช้ความรู้ของตัวเองใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องเพราะวาขาดคุณธรรมอันนั้นก็ไปไม่รอดอีกเหมือนกันถึงจะร่ำรวยขึ้นมากับร่ารวยแบบไม่มีแกลนแกรนั้นแหละร่ำรวยขึ้นมาแบบไม่ชุ่มไม่เย็นไม่ผาสุกเหมือนกับต้นไม้เนี่ยถึงจะโดเดก็เหมือนกับอะไรใหญ่ขึ้นมาแบบไม่มีใบต้นไม้ไม่มีใบใหญ่ขึ้นมาอย่างนั้น แต่ถ้าว่าคนมีคุณธรรมแล้วใหญ่ขึ้นมาก็มีร่มมีดอกปีผลขึ้นมาพร้อมที่จะเฉลือเผื่อแพ่ให้แก่ชุมชนและสังคมที่พวกเราพอที่จะแบ่งปันได้แต่ถ้ามันไม่ไม่มีอันนั้นคือว่าไม่มีขนาดตัวเองก็ยังเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วจะไปแบ่งปันให้คนอื่นอันนั้นก็ มันไม่ถูกต้องกน่าตําหนิอีกเหมือนกันขณะตัวเองก็ยังเอาตัวไม่รอดแล้วยังจะไปคิดช่วยเหลือคนอื่นเหมือนกับคนว่ายน้ําไม่เป็นอย่างนั้นแหละคนว่ายน้ําไม่เก็นเห็นคนหนึ่งตกน้ําตัวเองก็กระโดดลงไปเพื่อจะไปช่วยเขาผลที่สุดก็เลยตายทั้งคนตกน้ําตายทั้งตัวเองด้วยอันนี้ก็น่าตําหนิแต่ถ้าว่าตัวเองยืนอยู่บนฝั่งอย่างดีแล้วโยนเชือกให้ไปพร้อมดึงขึ้นมาได้อ น, นั้น บอกเห็นคนตกน้ําอยู่แต่ตัวเองไม่ช่วยอันนั้นก็นหน้าตำหนิคนที่ยืนอยู่บนฝั่งทั้งที่ที่จะช่วยเขาได้แต่ไม่ช่วยเขานี่ก็เหมือนกันนะถ้าเรามีพอมีอันจะกินไม่เดือดรอด้อนเราก็ช่วยเหลือชุมชนสังคมแต่ถ้าว่าตัวเองจะเอาตัวไม่รอดอยู่เราก็ต้องช่วยตัวเองก่อนอย่างประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านที่พระพุทธเจ้าสอนว่ายังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน ให้ถึงพร้อมโดยความไม่ประมาทประโยชน์ตนก็อย่าให้ขาดตกบกพร่องเราเมื่อเมื่อเราอยู่ในชุมชนเราก็ช่วยเหลือชุมชนอย่าให้ขาดตกบกพร่องดูทั้งเขาดูทั้งเราถ้าทุกคนมองกันอย่างนั้นโลกทั้งโลกก็อยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขไปที่ไหนก็มองกันก็สบายอกสบายใจแต่ถ้าว่าโลกทั้งโลกขาดเมตตาต่อกัน ผู้มีอำนาจวาสนากน็มีแต่จะบีบอกินถึงเขาจะไม่มีอะไรก็ บ, บีบเออ บ, บังคับกินคนที่อยากจนกว่าะนั้นแปลว่าคนไร้เมตตาคนไร้น้ำใจถ้าเราเกิดในยุคนั้นสมัยนั้นแปลว่าเรามีกล้ำจริงๆแงนะว่ะไงกล้มอะไรคือกล้ำไม่ดีของเรานะ่ะไปเกิดในยุคนั้นสมัยนั้น อ, อมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายทุกหัวละแห่ง แต่ถ้าว่าเกิดในยุคใดสมัยใดผู้ใหญ่มีน้ำใจคนในชุมชนมีน้ำใจมีเมตตาต่อกันมีไปที่ไหนๆกออ็สงเคราะห์อนุเคราะห์กันมีน้ำใจต่อกันใครทุกข์ยากลำบากก็มองกันเห็นกันเลือเพื่อแผ่กันโลกในยุคนั้นถึงจะเป็นโลกที่ยากจนเป็น เออเป็นประเทศที่ยากจนแต่คนมีน้ำใจมันก็น่าอยู่นะเออน่าอยู่เอ่อร่มเย็นเป็นสุขแต่ถึงเขาจะร่ารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็เถอะแต่แล้งน้ำใจอันนั้นก็เดือดร้อนเหมือนการทุกข์เหมือนกันเพราะนั้นในการสร้างอาคารเรียนหลวงพ่อว่าผู้มีพอมีอันจะเป็นไปก็ควรจะลุกช่วยเหลือชุมชนสังคม การพัฒนาเนี่ยพัฒนาคนเนี่ยดีที่สุดเออแต่ว่ามันก็ไปพร้อมๆกันนะั่นะแต่ว่าจะพัฒนาคนให้ความรู้แก่คนอย่างเดียวเออก็ไม่ถูกต้องอีกเหมือนกันถ้าจะสงเคราะห์คนอย่างเดียวก็ไม่ถูกต้องอีกเหมือนกันสมมติว่าอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยหิวข้าวมาตั้งสามสีห้าหกวันเออหิวอยากกินอยู่แต่ไม่มีข้าวจะกิน แต่หลวงพ่อให้ธรรมะเนี่ยพวกเรารักษาศีลอย่างนี้นะภาวนาอย่างนี้ปฏิบัติธรรมนี่นั่งสมาธิอย่างนี้นะและพวกเราหิวอยู่นะเออแล้วจะทำยังไงมันไม่เข้าเพราะเหตุอะไรมันต้องให้กินข้าวให้อิ่มซะก่อนเออจึงสอนธรรมะจึงสอนเขาจึงจะรับได้เออแต่ถ้าว่ามีแต่เลี้ยงเขาอย่างเดียวเท่เนี่ยเออโดยที่ไม่สอนความรู้ความฉลาดให้แกเขาจะเลย มีแต่เลี้ยงเขาอย่างเดียวออมาแต่ละกับเลี้ยงออแต่ไม่ได้อสอนวิชาอาชีพสอนความรู้ให้แก่เขาเหมือนกับเลี้ยงหมูอย่างนั้นแหะพอหมดอาหารคือมาทีนี่มันไม่มีอั น, อนจะกินมันจะกินกระทั้งเจ้าของมาเละมันเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือสอนทั้งความรู้คู่คุณธรรมสอนความรู้ความรู้เขาควรจะสอน วิชาอาชีพควรจะสงเคราะห์อนุเคราะห์ไปด้วยด้วยปัจจัยสี่ในเมื่อเขามีปัจจัยสีแล้วก็สอนความรู้ความรอบคอบให้แก่เขาไปด้วยนี่แหละถ้าว่าเราได้อย่างนั้นทั้งสองอย่างประเทศชาติบ้านเมืองก็ร่มเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นอย่างพวกเราวิชาทางโลกของเขาก็มีสวนยงมีสวนยางมีไร่มีนาแต่โรงร่าโรงเรียน เออฉผูภูพังไปหมดครูก็ไม่มีกำลังใจที่จะสอนนักเรียนน่และนักเรียนจะฉลาดขึ้นมาได้อย่างไรนักเรียนก็คลายเขาบ่าครูก็ไม่ตั้งใจสอนนักเรียนจะเรียนดีได้อย่างไรและชุมชนประเทศชาติจะไปได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะให้รัฐบาลให้มาทีเดียวที่มันก็ยากอีกเหมือนกัน เพราะคนที่ขอในชุมชนแล้วบางคนบางกลุ่มก็ไม่มีปัญญาที่จะขออีกทั้งที่ตัวเองทุกยากทั้งที่อยากจะได้อยู่แต่ว่าไม่รู้จะขออย่างไรครูก็สอนเป็นวันวันเดือนเดือนปีปีไปจบจบไปอาคารเรียนก็ บ, กบช่างแล้วเพราะมันมีอย่างนี้แต่บางแหง่งบางหนมีอะไรเขาขอเอาขอเอา อเออบริเนเทินทึกบางทีกับในกลุ่มในหมู่คณะขอจนเกินไปจนเหลือใช้บางแห่งก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นก็มีแต่บางแห่งก็อยากจะได้อยู่แต่ว่าไม่มีวิธีวิธีการขอนะเพราะที่สุดกเป็นช่วงที่ยากจนในจุดนั้นหละที่ไ น, นจุดที่ว่ามันขาดเหลือขาดตกอยางมากมากแต่เขาเป็นผู้ตั้งใจเป็นคนดีอยู่เขาอยากจะสอน ชุมชนของเขาอยู่ถ้าเราพอจะเห็นพอเป็นไปได้แล้วเออเอาช่วยชุมชนสังคมนี่แหละให้เขาเป็นรู้จักปรับปรับตัวขึ้นต่อไปภายภาคหน้าเขากจะได้เฉลียวฉลาดขึ้นเขาก็จะได้ทันว่าการเป็นอยู่ในเป็นอยู่ยังไงสิทธิ์ของเขานึ่งคืออะไรสิทธิของเขานึ่งคืออะไร ที่เขาจะได้ขอที่เขาจะได้พูดต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยสรุปแล้วก็คือตรงไหนที่มันต่ำเราก็ช่วยพยุงขึ้นพยุงขึ้นเพื่อจะให้มันสูงขึ้นในชุมชนสังคมนี่แหละมนุษย์หลวงพ่อว่าการอยู่ด้วยกันมากมายถ้าว่าพวกเรามีน้าใจอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวโลกใบนี้ก็จะอยู่ด้วยกันสงบสุข แต่ถึงยังไงกันหน้าอยู่ตลอดไปมื่ก็ไม่ไม่ควรจะพูดอย่างนั้นอีกเหมือนกันให้ข้าเหมือนกับเราไปเดินทางไปเหนื่อยไปแล้วก็ควรจะมีร่มไม้อําเครื่องอํานวยความสะดวกบ้างแล้วก็จะได้เดินทางต่ออย่าไปคิดว่าข้าไปเจ้าไปถึงต้นไม้ต้นนี้ข้าไปเจ้าจะไม่ไปไหนเลยแหะอยู่ในต้นนี้แหละมันร่มเย็นดีก็ไม่ควรจะคิดอย่างนั้นเพราะว่า ต้นไม้ต้นนี้ก็ไม่ถาวรเหมือนกันอีกสักวันหนึ่งไม่รู้ว่าลมไม่รู้ว่าฝนจะกระมากระแทกเราให้กระจุยกระจายจากต้นไม้ที่เราพึ่งพาอาศัยอยู่นั้นเพื่อจะได้เราจะหาความสุขหรือว่าหาความปลอดภัยในจุดนั้นทีเดียวก็ไม่ถูกเพราะนั้นเราถือว่าถ้าเราทำอย่างนั้นถูกต้องแล้วโลกไปนนาอยู่ ก็ไม่ควรจะพูดอย่างนั้นอีกเหมือนกันให้เข้าว่าเป็นที่พัพงพึ่งพาอาศัยถ้าว่าโลกที่มาพึ่งพาอาศัยก็มีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายมีแต่มดมีแต่ต อ, ม, ตตอมีแต่แตนมีแต่แมลงกัดต่อยยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดเราก็หาความสงบสุขไม่ได้อีกเหมือนกันแต่ถา้ามาอยู่แล้วไม่มีสิ่งรบกวนเครื่องอานวยความสะดวกก็พอเป็นไปไดเ้เราก็จะได้นั่งมองดูว่าเราจะเดินไปทางไหนต่อ เราจะเดินไปทางไหนต่อไม่ใช่เราจะอยู่เพียงจุดนั้นจุดเดียวนะเราจะเดินไปทางไหนต่อเราก็ต้องได้คิดทางไหนที่จะปลอดภัยที่สุดทางไหนที่จะดีที่สุดนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันเรามาเกิดในเมืองมนุษย์ถึงจะได้รับความสะดวกสบายด้วยปัจจัยสี่ขนาดไหนก็เถอะนะไปที่ไหนสะดวกสบายอ า, นะอาหารการบริโภคข้าวน้าปัจจัยยาแก้โรคภยัยไข้เจ็บแต่เหมือนกับเรามาอยู่ในต้นไม้ เราต้องมองหาว่าถ้าเราตายจากชาตินี้ไปแล้วเราจะไปที่ไหนต่อเพียงพอหรือยังบุญกุศลที่เราได้สั่งสมเพียงพอหรืออยั ง, น, ง, ย ง, ออยงนี่แหละทำคําคสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนสอนไว้อย่างนี้นะคือไม่ให้นอนใจในจุดใดจุดหนึ่งถึงจะมาเกิดในเมืองมนุษย์ความแก่ความเจ็บความตายก็รอรอคอยพวกเราอยูอ่เมื่อเราตายไปแล้วเราจะไปที่ไหนนี่แหละ ถ้าเราไม่ได้สังสมคุณงามความดีเอาไว้ถ้าเราไม่ได้เตรียมใจเตรียมกายเตรียมใจเอาไว้นั่นแหละเทนี่เราจะพวักพวบนเราจะทุกข์ยากลาบากเมื่อปลายมือแต่เมื่อเราอยู่ดีมีสุข เ, เราก็ใจแข็งได้ไม่มีอะไรทําอะไรไม่ต้องคิดมันอยู่อย่างนี้แหละแต่พอมาถึงจุดหนึ่งบั้นปลายของชีวิตเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วย เข้ามาแล้วมันใจมันตกนะแต่นี่มันใจมันตกใจมันอ่อนหมดไม่รู้จะเอาอยัางไงช่วยตัวเองก็ไม่ได้เขาให้ทําอะไรทําหมดแต่นี่เขาให้ไหวอะไรก็ไหว้หมดเขาให้บูชาอะไรก็บูชาหมดเขาบอกอะไรเอาหมดเหมือนกันเพอเพอเขาบอกให้กินขี้หมาก็จะกินขี้หมาที่เขาบอกให้หายเนี่ยอขนาดนั้นละ่ะมันยอมหมดทุกอย่างเพราะอะไรเพราะมันกลัวเพราะนั้นเราต้องคิดจุดนั้นไอีกเหมือนกัน ถ้าเรายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ยึดทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วรักษาศีลภาวนาให้เต็มในจิตในใจของเราแล้วไม่ต้องกลัวทุกคนก็ต้องถึงจุดนั้นแน่นอนข้าพเจ้าก็ต้องไปตามเขาข้าข้าพเจ้าจะเป็นผู้วิโสตเศษยิ่งกว่าเขาได้อย่างไรปู่ย่าตายายก็ตายไปหมดแล้วข้าพเจ้าจะอยู่ในโชวฟ้าดินสลายตายไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหม ก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเขาตายไปแล้วข้าพเจ้าก็ต้องถึงจุดจบเอาเถอะุณงามความดีข้าพเจ้าได้ทาไวแล้วถึงยังไงอกย้ายจากพบนี้กย้กยายจากต้นไม้ต้นนี้แล้วร่มไม้ต้นนี้แล้วข้าพเจ้าก็คงจะเจอต้นไม้ที่ดีกว่านี้อีกเพราะข้าพเจ้าได้คิดได้วางแผนไวแล้วนะนะอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายมาอยู่ใน พบนี้ชาตินี้ในเมืองมนุษย์อย่านอนใจโจอเกินไปเพราะงั้นเถอะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปให้สังสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเอาไว้ตายแล้วไม่สูญพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้อย่างนั้นแล้วท่านพิสูจน์มาแล้วท่านรู้เห็นมาแล้วท่านไปภาวนาที่โคลนต้นโพนัท่านพิสูจน์ใจของท่านมาแล้วท่านจึงในนำทำคาสั่งสอนมาประกาศ มาเผยแผ่ให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเนี่แหละเั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะสัตาธิานญาติโยมทุกคนอยู่ที่ใดก็าตามให้สั่งสมขุนงามความดอีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะนะถึงจะอยู่ในเกิดมาในเมืองมนุษย์เกิดมาในยุคนี้ก็เหมือนกับมาอยู่ในร่มเงาเชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่เราจะพอใจในจุดนี้เพียงจุดเดียวมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะ ต้องคิดถึงอนาคตไปด้วยอีกเหมือนกันไม่ว่าท่านว่าเราจะต้องแยกย้ายกันไปคนละทิศละทางอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเห็นนั่นนะลรับพรอ น, อนโมตนาให้พร